หนาวอากาศอย่างนี้นั่งภาวนาดีจะให้มันอุ่นเกินไปถ้าอุ่นเกินไปก็หลับพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็พากันน้อมใจเข้ามาแล้วก็การปฏิบัติในเบื้องต้นนะก็ต้องนึกว่าทุกคนต้องอบรมอินรียให้เต็มให้บริบูรณ์ อ้าเอ็นซีนั้นมันยังไม่พ อ, อยังบกพร่องสิ่งต่างๆนั่นไปยังไม่เกิดเหตุนะเมื่อเอินทรียนั้นมันยังไม่เกิดมันไม่พอมาประกอบไปกระทําไปจะเป็นเหตุให้เราทอ้อถอยเราต้องนึกว่าเอออินรียเขาเรายังไม่พอแม้พระพุทธเจ้าจะโปรดประชาชน หรือปวดใครไพระองค์ก็ต้องรอเิ็นสียสีย ก, ก่อนให้เห็นสีแก่ค่าเส ก, ก่อนนะพระองค์จะจพดตัวอย่างเช่นปาพามุนที่ว่าวัคพระวักการิพรวักการินั้นเห็นว่าวุฒิยาไปบินถบาทแต่ก็เกิดเลื่อมใสเลื่อมใสพาลูกของวุฒิยาเพราะเพราะรูปรูปของ พระดาเนีสวยงามเหลือเกินก็เกิด ร, ร, รักใคร่คอยใจในลูกตามดูแล้วกลับมาคิดว่าเราไปไปบวช ด, ดีกว่าจะได้ตามดูพระดีเจ้าให้มันเต็มตาก็ไปบวชแล้วก็ไปตามดูอยู่อย่างนั้นพระดีเจ้าก็ไม่หวาดเลยพระดีเาก็ร อ, อบอกว่าอินซีแก่กล้าไปเสก่อนหมายคือว่าอาศัยหมู่คณนะ เป็นสิ่งแหวนล้อมอาศัยวีการบ่ายพระโสดมนตนังควานโอรมไปเรื่อยๆเข้าในลักษณะที่บุรีจะวับในยะยาคือต้องอบรมต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วกับบริลัตตามหลักบริษัทที่บุิจาจะสอนนั้น้องก็กำหนดไว้สี่ประเภท สามประเภทที่พระองค์จะสอนทั้งหมดมันสี่ประเภทแต่ว่าประเภทที่สี่นะพระองค์ไม่สอนนะเรีว่าปัทภปรมะประเภทนั้นไม่ได้อะไรเลยจะศึกษาจะเรียนอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าหมู่เหล่านั้นมันมาบวชก็ไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นบางทีเราทำให้ศาสนาเลิกเทอะโดยสักไปเพราเป็นความไม่ตั้งใจศรัทธาไม่มี อันที่หนึ่งวอคคติตันยูประเภทที่หนึ่งนะอัคคติตันยูบุคคลผู้ตรัสรู้เ็บุคคลประเภทนี้ท่านเคยได้บำเพ็ญบา ร, รมีรด้วยบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญามาแต่ชาติขอนแล้วเกือบแต่เกือบจะสำเร็จในชาตินนท่แแต่ว่า <c oughs> อายุมันสั้นอายุมันไม่พอ ประเภทนี้นอพอพอได้ฟังพุทธิเจ้ายกหัวข้อไชยสนาเข้ามาขึ้นมาตอนนั้น <c oughs> ฟังอน่วงเดียวท่านนก็ได้บรรลุเลยตัวอย่างเช่นสังติเจ้าสามานยบ้างหรือพวกอื่นๆพอได้ฟังหัวข้อที่พุทิเจ้าแสดงทนนั้นไม่ต้องอธิบายได้เลยบรรลุเลย ประเภทที่สองอันนี้ต้องอธิบายซะก่อนยกของข้อขึ้นมาแสดงอธิบายในทั่วถึงซะก่อนก็โนรหลนั้นก็ฟังตามกำหนดจิตตามก็ได้ไดบรรลุมากคนก็คือพระตัวอย่างก็คือพระปัญจวัคคีตทห้าที่พปทธยวแสดงดทำแสดงทำมาจากกรรวตสุต แต่ก็ได้องค์เดียวคือพระย า, ญญากนทยาะเกือบจะจบเลยละทำมาจากกระพวัตสูตรได้จะจบอยู่แล้วพระอัญยากนทยาะจึงได้ดวงตายเองทำอีกสี่องไม่ได้พระพธจาาจะไม่ต้องใช้ธรรมเทศนาอื่นนะอบรมไม่ใส่จนกว่าท่านเหล่านั้นฟังมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, ากา็จึงได้บรรลุ คล้ายๆกับ เ, เป็นการอบรมอีีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างมาเรามีมาพอพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ไม่เท่าชุดที่หนึ่งชุดที่สามเิเรียกว่าเนยะแปลว่าบุคคลที่พอจะแนะนำได้พวกเหล่านี้จะไม่ต้องอบรมอิซีอีซีห้า คือศัทธาเวยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทั้งห้านี้ให้บริบูรณ์คือผู้คัดอันที่หนึ่งศรัทธาศรัทธาในขนาดที่ใจอย่างบรสกบทำไมต้องปลูกต่เอาเหตุผลเป็นเครื่องบวกให้ใจของเรา แ, แน่วแน่ในข้อปฏิบัตินั้น เชื่อในข้อปฏิบัตินะั้นถ้าไม่อย่างนั้นมันถอยอะทวาราจัยมันยังไม่เข้าแต่เราสศรัทธากข้มายห้เขา้ามาแล้วถือว่าข้อปฏิบัติที่เราประกอบหรือกระทำนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ดีเป็นทางนำทางนำให้เราได้เจริญบัพต์ผลศรัทธามาทั้งเชื่อข้อปฏิบัติคือศรัทธา แล้วก็มีวิยะสติสมาธิปัญญาตัฏฐาิยะแปลว่าเพียนพยายามเพียนพยายามอะไรเพียนพยายามตั้งสตินะเพี่ยนพยายามเลกพุทโธธรรมูสังโฆหรือเพียนพย า, มมพททาพ ย, พยามตั้งจิตของเราเราไว้ในจุดที่ตั้งจางวันเราประคองใจของเราเข้าสู่จุดที่ตั้งแล้วก็เลกพุโทโธเนี่ยนั่นแหะเทียกว่าเพียนพยายาม ตั้งสติอย่งนี้เป็นต้องฝึกจ่มากเข้ามาเข้าเมื่อมันพอแล้วมันจุดจะเกิดวินัยยะเพียรพยายามถ้าถ้าเราไม่ปลูกศรธรมันถอยอ่ะถ้าทำเมื่อเมื่อสันทาเกิดแล้วเชื่อว่าเนี่ยเราจะต้องได้แล้วก็ฉันทามก็จะพอเกิดกินดีพอใจกินดีพอใจแล้วก็เพียรพยาพยามเพียรพยายาม ตั้งจิตรักษาจิตของเราไว้ในอารมณ์กรรมฐานเป็นเมียสติเปยะเพียรพยาาสติคือตั้งจิตเป็นจุดตั้งจุดหมายเราเพียรพยายามตั้งมาเข้ามาเข้าเขาไม่ต้องไปคำนึงเมื่อไรจะถึงเมื่อไรเยอะก็พอขนาดนั้นแล้วจับดวงรู้อยู่แล้วจับตัวรู้อยู่แล้ว ของความรู้สึกของเราเคือใจของเราไว้ในจุดตั้งอยู่เรารักษาอยู่อย่างนั้นละนี่ถ้ามันเพียงพอแล้วจมัก็จะสงบลงตติสมาธินะสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิงจะเป็นทางให้ใหปัญญามันไม่อยากท่านสมาธิเกิดทั้งแตสมาธิเกิดขึ้นพับเท่านั้น่ศรัทธามันเต็มเลที มีความเชื่อแน่วแน่แล้วทีศรัทธานั้นเข้าในศสนาเรียกว่าการรักศรัทธาศรัทธาไม่หวั่นไหวเชื่อแน่วแน่อย่างอื่นก็หายสงสัยหมดอย่างนี้เรียกว่าห้าอย่างศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญาเต็มแล้วเมื่อใดเมื่อ น, นั้นมผลจึงจะเกิดขึ้นให้พวกน่อยะนั้นก็ต้องอบรมต้องฝึกอย่างนี้จึงจะเป็นไปเกิดได้ ท้าไม่ฝึกไม่อบรมทีน่ะถ้าว่าศรัทธาของเราน้อยศรัทธาเราไม่พอมันปลูกก็ไม่ได้ต้องปลูกจนกว่าใจสงบแล้วศรัทธามันจะมั่นคงขึ้นมาทีาว่าถึงตัวอย่างตัวอย่างผู้ที่ทักจะรู้เร็วๆที่ว่าปกติตันอยู่ตัดสรู้เร็วก็มีตัวอย่างว่า ในศาสนาของพระเจ้าของกัตส ป, ปะทศพล์ชาตนาของพระพุทธเจ้านามว่ากัตส ป, ปะเนะี่ยมนมีอายุยืนนานตั้งหมื่นปีสองหมืม่นปีธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าที่มายุยืนนาน พยายามสอนภาษา v o อาจนเต็ ม, มาตาแล้วไม่ได้จะได้มักในผลพูดที่จะสอนหมดเลยแล้วไม่ได้บัญญัติพระวีไนไปให้ไม่ได้วางพระวีไนสิกขาบทสองน้อยจีเบียหรือปฏิโมกข์ไม่ได้สอนเพราะว่าพระเจ้าอายุอยู่นานเผพระองค์ดูเอเองว่าใครใจได้มักใครใจได้ผลคงสอนเอาเองเลยก็พอดีเออกมา พุทธิยปรีผานแล้วทีนแต่อย่างเศษจะพิสูจทั้งหลายผู้ยังมีศรัทธายังมีอยู่ก็มาบวชมีอยู่เจ็ดรูปมาเห็นพิสูจนทางหลายที่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วเลอะเทอะเลียวไหลเพราะพุทิยปรีผานแล้วไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องรักษาเกี่ยวหยาดก็ทําเละเทอะเหล้วไหลไปตามเรื่องตามราวพราะพุทิยมันไบัญญัติพระวินัยไว้ดังกล่าวแล้ว แล้ว่าพจิียาพระองค์กู้ไปเหมือนแล้วพธทบริษัทที่จะได้มังได้ของัพธ์องคุ้มเหมือนแล้วนอกนั้นก็เป็นปะทะประาประมะแต่นี่ยังมีพี่สวย เ, เกิดรูปแล้วเกิดศรัทธาใหญ่โตถาอยากจะปฏิบัติก็เลยสร้างศรัทธาตัว่องขึ้นมาบอกว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกเราจะจะทาที่เพื่อให้เกิดวงินให้ได้จึงพากันไปไหว้พัด พระธาตุพระเสรีดีกธาตหรือพระเจดีที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระกฐาปพระพุทธเจ้าเนี่นะและ้วอธิษฐานจิตว่าถ้าหมู่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะจะขอบำเพ็ญตามศีลสมาธิบัญญันให้ได้มักให้ได้ผลให้เป็นที่ตึงของตัวเองให้ได้จะเอาชีวิตนี่เป็นเครื่องหมายอธิษฐานไหวพระธาตุเสร็จสร็จล้วก็กันเดินเข้าป่า บอกจะเข้าปา่าในขณะที่เดินเข้าป่าเราลงข้าลงนั้นอะ่ะเรียนเตรียมเฉพาะอันกระติกน้ำาถอะนะตาพายติกน้ำไปด้วยวบาตรวันในขานอนกัมาะเทงก็เอาไปด้วยแล้วก็บอกเพื่อนๆมากกว่าถ้าพู้ใดยังอะไรชีวิตอยู่แล้วก็ให้กลับไปไม่ต้องมา พอเข้าไปไปหาสถานที่สำรับที่เกษาภาวนาก็พอดีไปเห็นภูเขาซึ่งมันมีมีหน้าผาสูงฉันข้างบนมันเป็นที่ราบเพียงท่านเหล่านั้นก็ทำบันไดเนี่ยพาดขึ้นไปเึ้ื่อนไปบนมาพาด ท, ที่ผานีเคื่อนพ้นเสร็จสั์พวกองค์เราผักบันไดแล้นลงหมด ไม่ยอมจะให้ลงเีงนะเอาครังแรกกลับเตือนเอาทั้งหมดยังอะไรชีวิตอยู่ก็ให้กลับไม่ต้องมาขึ้นมันไดทุกคนก็มีใจก้าหารานึ่งนนขึ้นไปก็่ากันอธิษฐานจิตภาวนาเกี่ยกวกับตั้งสติท่านจะภาวนากรรมฐ า, านอะไรก็ท่านก็ไม่ระบุไว้ไหนครับเอาง่ายๆก็เหมือนกับว่าเราท่านคงเกิตั้งจิตอาจิตตานุปัสสนากาหนดจิตของท่านน่น ใอื่นกายหรือไม่ใชนะกระทั่กระเจวหุพโพก็ไดค้คืนที่หนึ่งคือพอนั่งภาวนาตั้งแต่วันตลอดคืนที่หนึ่งพระเทระผู้ใหญ่ผัวอาจารย์ใหญ่ได้สําเร็จอรหรันทำเสร็จอรหรอรัสด้วยได้อภิญญาซะด้วยได้ภิญญาหกซะด้วยพอนสำเร็จแล้วก่าตอนเช้ามาก่อน หนุส ม, งสมงองสองกีงวันเสร็จสอบก็อุบบาทเขาห่อไปบินนาบาดโนดอุดรกรดเทวิศไม่บินนาบาทในเมืองมนุษย์บินนาบาทอุรดรกรดทิพย์นะครับก็บกบกบกบเหมืนอนค ร, ร, รับพวเข็บแมงอุดรกรคทิพย์พวกนั้นเขาไม่ได้ทำไรถ่ายนาแต่ว่าเขามีอาหารการกินแล้วเขามีหมอ้อทิพ อยากจะกินเอาเอาข้าวข้าวข้าวเป็นข้าวสาลีที่มันเกิดเอ ง, งเลกเรงานั้นก็เอาข้าวสาลีน้ำใส่ใส่หมอ้อแล้วก็หุงอธิษฐานจิตก็สำเร็จอาหารทุกสิ่งท้งอย่างขึ้นในนั้นเลยโอเคว ด, ดาทั้งหลายแล้วพวกกันลานนั้นก็ใส่บาตรันทท่านก็ได้บาได้อาหารเต็มแล้วท่านก็กลับมา มานั่งฉันแล้วก็นิมนต์ให้ให้พระที่เหลืออีกหกองคเนะออกมาให้นิมนต์ทุกองคนะฉันพระทหารท่านเหล่านั้นก็บอกว่าเออเราไม่ได้สัญญากันนะไม่ได้สัญญากันเลยว่าเมื่อองค์ใดองค์หนึ่งได้บรรลุมรรคผลแล้วก็ให้ไปบินทาบาทมาเลี้ยงหมูแล้วไม่ได้สง่งไม่ได้สัญญากันพวกกับผมทั้งหมด ก็จะเพียรพยายามบำเพ็ญจนได้มรควนแนละ้วจะมาบินบาบมาเรื่องอัธภาพเองพวกองค์ก็ไม่ยอมฉันพระเทพรัตนอาจารย์ใหญ่อ้อนวอนนะฉันยังไนกขาบอกเขาก็ไม่ยอมก็องนั่นก็ฉันองค์เดียวลนะ่ะฉันแล้วถกากปริยผ่านเลยนะไม่มาอยู่นะ่ะไม่อยู่ขระมูล น, นั้นแหละไม่เป็นบานาบไม่แล้วก็เข้าที่นั่งภาวนาปริยผ่านในวันนั้นเลย ถึงในวันที่สององค์ที่สองเรียกว่าอนุทะเเหรออาจารย์ลองในบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ไม่ใช่เป็นพระอนาคามีไม่ใช่โสดาบันโสดาบันพระอนาคามีพละกิเลสเลยสังโยชน์ได้ห้า ก, กายทิฏฐิวิจิกิขาสีนพัตตปมาต กร า, มมารมาลาคะปฏิคะห้าองค์ขาดสิ้นไปสังยชนเป็นสนะิบก็มีมานะอวิชยัยอ น, นาดามีรลปราคะอโลปราคะมานะอวิชะอุทะจะอวิชะเป็นสังยุตสิบแต่นี้ท่านละได้เฉพาะห้าอย่างซึ่งเป็นสัญญหยาแต่ส่วนจากก็ไม่ใช่เล่นเลยเขาจะละได้ ก็ต้องเกิดจากสิ่สมาธิปัญญาเหมือนกันอีกเมื่อท่านก๊อ้ําบบรรลุแล้วท่านก็ไปบินธบาตมา่พอไปบิณธบาตอุดอนโกรธีบได้เหมือนกันเพราะพระนาคาเมียก็มีนิสเดกได้ปัญญาเหมือนกันแต่ไปถึงขนาดที่แต่อาศัยขญาณคือไม่หมดกิเลสทั้งนั้นไม่สัโยุทธละทั้งหมดหมดได้ได้ห้าทั้งนั้นนะแต่ก็ยัง แล้วเป็นยาเหาะได้อยู่ไปมินบาทมาได้จูคำอ้อนวอนให้หมูฉันเหมือนกันทางนั้นก็ไม่ฉันหบอกก็เหมือนสัญญากันหมูผมก็จะเป็นอาจารย์บรรลุแล้วจึิงจ้าไปมินทบาทมาฉันแทนก่อเมื่อหมูฉันไม่ได้ฉันอย่างนั้นถ้ากอดเข้าสมาธิมภาพไปในวันนั้นเละ เหมือนกันแล้วไปเกิดชั้นผมชั้นสูดถาวราผ้านาคามีนี่เกิดชั้นสุดถาวรชั้นสุดถาวาร ม, มีห้าชั้นเอาอหาอจัปปาสุดทสาสุดทศสีอากาลิธ า, าถ้าอ่อนถ้าการละสังโยยังยังอ่อนไม่เข้มแข็งก็นับตามลําดับชั้นขึ้นไปเลยเป็นต่างชั้น อาวิหาแล้วก็ขึ้นจตัตตาปาตุทษาตุสสีสุดท้ายถึงกระเดิดากระนิพานเลคนั้นชั้นจดนั้นเลยแต่ว่าจูแดตด่ละชั้นละชั้นไม่ใช่ไม่ใช่อายุน้อยๆอายุยา ม, มากแล้วก็อ่นนี้เหลืออีกสามองอเอาเหลืออีกสี่องไม่ได้เลยเลยสี่องนั่นงคอนาได้ตายแห้ง ที่พางนะที่เป็นอย่างนั้นก็นเพราะว่าท่านทั้งหลายเหลนะ่านั้นท่านดื่มแต่เวพาน้ําอย่างเดียวด้านน้ํามันหมดถ้าผมไม่ได้ดื่มน้ํามันก็ตายเลยนะคอแห้งตายเลยนะน้ํนะาก็จะแบวที่ไหนไม่ได้แบวอ่ะแต่ยังมีน้ําอยู่มาว่าก็ดื่มเหงื่อประมาณเดียก็ือดื่มน้ําถึงน้ำแล้วก็รักษาจีไิตไ ด, ได้หลายวันอยู่แต่ทีนี้น้ําก็ขาด แต่ว่าท่านเหล่านั้นตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เหมือนกันสวรรค์ฉันดูสิโน่นเพราะว่าท่านเหล่านี้มราภาพในขนาดที่อยอมเป็นสมาธรรมท่านเป็นผู้ไม่หลงไป่เพิดเพลินในที่ประสมบัติถึงขา่าวพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วท่านก็นรีบลงมา เดี๋ท่านเหล่านี้บาเดันบำเพ็ญสงฆ์ น, นรับมืพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนอะกับสปโปนกับสปาแต่ก็ถัดกันนะกับสปโปแล้วกับโคดมูพทุทธเจ้าเราเนี่แต่ว่าอายุต้องหลายหลายกลับอันจริงๆริะผ่านมาจริงจริงในบรรุแต่ว่าท่านนี้เราเราพท่านเหล่านั้นรู้ว่า ตอนนี้พทุทธเจ้าโคโดมได้ตรัสรู้แล้ท่านเห่าแล้วก็ลงงบมาเกิดในเมืองลุดออนที่หนึ่งก็นู่จะเป็นสิสังคิจัดสามเนเององที่ที่สองจะเป็นพายยะองที่สามนี่จะเป็นเป็นปริพาชคเลยเนานะมาบวชเป็นปริพาชค องที่สทั้งหมดเป็นเจ็ดองนะอันนี้ได้บรรลกไปไปสององเท่านั้นเหลือห้าององหนึ่งเป็นพายยะอีกองหนึ่งเป็นโกมาและกสปะเป็นนูกนางของของนางพิษณี องหนึ่งด้จะเป็นพระราชาองค์ไหนนี้พอเห็นเห็นพระเท่านัะพระแนะนํนนะาพระสอนสอนนิดเดียวแต น, นบันลลุกตัอย่างสิสังกิจสามเณีพอเห็นพระขอบวชท่านก็ให้บวชบวชแล้วก็แนะนำอย่างแต่ว่าแนะ้ว่าเคสาโรมาถ้าขานตาตาโจด สอนแค่นั้นในบัรลูเป็นพระอรหันต์เลยเดี๋ยวสั่งกิจจาสามเลนเี๋ยเป็นผู้มีอำนาจมีอมริยญาดี ส, สามเลนสังกิจจาสามเลนยังเป็นผู้ทานี้ทำมาในการการท่านได้สําเร็จอรหันต์แต่น้อยไม่มีธุระ ป, าป่าปางอะไรเลยไม่รู้อะไรจะทําอะไรเลย แต่พุทธเจ้าก็อนุญาตให้เป็นภิกษุเลยนะจะอายุไม่ครบก็อนุญาตให้เป็นภิกษุได้ท่านก็คณะธรรมหน้าที่บอกว่าขอเป็นผู้จัดอาสนะแด่พระสงฆ์จัดเรื่องอาสนะให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาเฝ้าพุทธเจ้าท่าจึงก็ทรงอนุญาตการจัดอาสนะของท่านมันไม่เท่ ไม่ใช่เพนธรรมดาใช้อำนาจอิทธิฤิ์พอพิสูจ์ทั้งหลายไปฟังเทศในสำนักของพระพุธจาแล้วตอนค่ำค่ำแล้วก็กลับลอยมากก็พระพุทิจ้าแสดงการตอนมังคับมันมืดแล้วอานนี้การสามัญ น, นี้ก็ส่งพระทั้งหลายไปสุติใครกติมันการสนทานของท่า น, น, นใช้ สมัยก่อนคงจะ ม, มีไฟฟ้าใตายไฟเอาเองคราวนี้ท่านใช้เตโชกสินนิ้วมือทั้งสิบเป็นเทียนเลยแสงสว่างโล้วแล้วก็นิมิตมีภิกษุรูปองค์ใหญ่เดินหน้าไปพิสุดท้งหลักก็เดินตามแล้วมีแสงแสงสว่างส่องมาดังนาภิกษุทางหลากก็พา ก, กันตามไปไที่พักผีพัก และที่สุดทั้งหลายก็ต้องการเห็นอิทธิวิทปฏิหารเหล่านั้นก็สนใจไปฟังเทศฟังธรรมุไไนธิญาบ่อยๆอยากจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของพระทั้งที่จะสามเณรที่นั่นสามารถทำได้นั่นเอเ อ, เ อ, เ อ, เ อ, องกุมายคัสปานี้พิสดารหน่อยหนึ่งกุมาอคัสปานั่น เป็นลูกของนามวิสุนีคือนามวิสุนีนั้นเป็นลูกเศรษฐีขอลาพ่อหมดหาขอลาพ่อลาแมา่ในพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่อนุ ญ, ญาตก็จับลูกสาวแต่งงานลูกก็จำเป็นจะต้อ ท, ทตามใจของพ่อ แต่งงานแต่งงานก็ว่าได้ผูกสามีที่ดีสามีเหมือนเทวดาวะเ ง, งินเหมือนเทพพระมุตเขาไปขออนุญาตจากผัวไปบวชทั้งทั้งที่ไปไปเป็นเมย์ค่ะแล้วอยู่รวมเขาจนมีท้องแล้วไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองมีท้องขัก็อนุญาตเอาไปบวชได้ก็ส่งเมยไปสํานัก สำนักของในนามพุทธศีที่อยู่ในสำนักของพระเทวทัตเหมือนกันะอาพระเทวทัตปกครองนามพุทธศีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม อ, อื่นเขาก็มีแต่ว่าพระเทวทัตต่างหากก็มีกุ่มนามศรีเหมือนกันก็บวชอยู่ไม่นานต่อมาตมาวันเท่ากับพองพุมงพอ ง, พอ ง, พอ ง, องก็ระเลยบอกนามศรีท่านหลายเหล่านั้นเนี่ย บอกว่าเรามีทองนํางพิจูนีก็ไปเล่าให้เทวทัตฟังบอกว่าทำไม่ได้ไม่ได้น้ํางพิจูนอยู่ในสํะจำต้องไหวให้ซึบนางิจูนร้องไห้บอกว่าข้าพเจ้าไม่มได้บวชเพื่ออุทิศพระเทวทัตแต่ขา้าพเจ้าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าขอจ้าแม่มทางหลายไปนํำข้าพเจ้าไปฟ้อง พ, พุทธเจ้าก็แล้วกัน นางวิศณีทั้งหลายคนนั้นเลยนำนางวิศณีนั้นไปเฝ้าปฎิจารปฎิยาก็รับรองเพราะพระออกรู้รู้ว่านางวิศณีนั้นมีคันขนาดนั้นหรือมีคันมาตามมาจากขนาดที่เป็นเครา่าเพื่อให้นางวิศณีนั้นบริสุทธิ์กับตาโลกจึงบังคับพะระวารีซึ่งเป็นผู้ชํานันนะครับวีในให้ไปชําระ พรนะวินัยกับนางวิสุณีนั้นพระวารีนั่นกเอาพระฤหัสเป็นบัตาเป็นตัวอย่างก็ให้เชิญบรรณ า, าธิการสิทธิมาให้เชิญนำสาขาไปสาขามาให้เชิญพระจ้ประเสรสิโกศนมามาเพื่อจะพิสูจน์ว่านางวิสุณีนั้นมีท้องในขนาดที่บวชแล้วหรือว่ามีท้องก่อนที่จะมาบวช นางวิสาขามาแล้วก็สั่งให้หญิงทั้งหลายเขาาผ้ามากั้นม่านแล้วนางวิษณีเนี่ยไปตรวจเหมือนกับเป็นหมอจตตรวจอะไตรวจดูมือดูท้องดูอะไก็ว่าไปก็พิสูจน์ได้เลยว่าอ๋อเนี่ยมีท้องมาก่อนก่อนบวชนี้ก็นับเดือนวันปีเล้เขาพิจากว่าบวชกี่ปีกี่มีท้องเท่าไหร่เาก็รู้ ก็มาบอกให้พระเถระคือพระอุบาีทราบว่านางพิษุณีองค์ น, นี้มีครั้แล้วก่อนก่อนมาบดแล้วพระเจ้าสั่งให้สร้างกุฏิข้าพเจ้าสั่งให้ทำให้ก่อนแล้วเมื่อก่อนนั้นมีนาวิสิณีเชี่ยวอุบลมานาเมื่อก่อนนะั้นทั้งพิษุณีทั้ง ที่สุดทั้งนั้นเข้าป่าก็โดนก็ดอนด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นทหารแลกเปลี่นหัวน้ำบรรมุ น, นานีก็ไปป่าประเทศเวกไมปป่ปานนั้นท้าวมานุปไปข่มขืนเอานันทามานุปโตถูกแผ่นดินโซเปาพุติยาลรู้เรื่องเลยก็สั่งให้พระเจ้าปเิเศนที่โศล ส, สร้างสำนักที่วัดเทตวัน เราก็ให้รวบรวมนามสกุลทั้งหมดอยู่ในสํานักเดียวกันที่หมดไม่ให้ออกไปไม่ไปเที่ยวนอกดังที่เคยทำยนะวุฒินีนั่ไปอยู่สํานักก็คลอดลูกแล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลไปธุระที่วัดเฉตวันก็ได้เสียงเด็กร้องไห้หึิบมาออกนะวุฒินีนคลอดลูกแล้วเก่งให้ ี่เรียงนางนมเป็นรับเอากรมา น, นั้นไปเรียนไว้แทนนางเสนีไม่ใื้เปนเสนีน่อยุ่งจึงได้นามว่ากุ ม, มานกสปะมันก็เป็นโอรสของพระราชาแต่เมื่อกุมา น, นั้นมีอายุเด็กอายุทั้งสักเจ็ดปีได้แล้ว ก็ไปตีเล่นกับเด็กก็ตีเขาน่นะพระเจ้าบาทเสศษที่โกรศนขอพระองค์จงบอกข้อบอกแม่ให้ข้าวงเถอะว่าเป็นแม่ข้าวงคนไหนพ่อคนไหนพระเจ้าปาทเศษที่โศกโกศนก็เลยชี้เอาที่เลี้ยงนางนมทั้งหลายทั้งเยอะแยะน่ะบอกนี่แม่เธอว่าก็ธรรมดาเปล่า เด็กหลายต้องมีแม่แม่คนเดียวท่านนะบามีแม่หลายอย่างนี้อันนี้มันต้องยอะแยะเนี่ยพระองค้าบอกไม่รู้ว่าเป็นคนไหนเป็นแม่ข้าบอกเฉพาะเจ้าเป็นเซนติโกศอนก็เลยบอกเออเราม่สามารถที่จะโกหกเด็กนี้ได้แล้วจึงบอกความจริงความจริงนั้นเธอเป็นลูกของนางมิสูนีเราดำเธอมาเลี้ยง อ, อย่างนั้นเด็กน้อยก็เกิดสรดสังเวชใจบอกว่า ถ้าว่าข้าพ่อมันเป็นลรกนะ่งตืดก็ขอให้ข้าพ่อไปบวชกันแล้วกันบวชในสำนักของพุทธเจ้าก็แล้วกันเจ้าวะเศนที่โสอส่งก็ส่งส่งแล้วไปบวชในสำนักของพุทธเจา้าพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชพาบวชแล้วเนะี่ยเข้าไปบำเพ็ญสมณะอยู่ทำอยู่ที่ปาะะ่าพอบําเพ็ญสมณะทําอยู่ที่ป่านั่นแหละว่าพักไปสู่ที่เป็นที่บําเพ็ญสมณธรรมด้วยกัน แต่ไมศาสนาของพธทเจ้าทรงมนาวัคัสปาลที่ได้เป็นอนาคามเมีอยู่สวรรค์ชั้นพุทธาวาตก็ลงมามาเพื่อจะช่วยเหลือุมาคัศปะลงมาก็่าเยือนมาก่อนท่านมาบำเพ็ญสรนธรรมข้าพเจ้าจะให้จะตั้งปัญหาให้สิบห้าข้อและให้ท่านนำปัญหานี้ไปทูลถามพุทธเจ้า แล้วก็ฟังปัญหานี้ท่านก็จะเลยบรรลุมรรคผลเพราะปัญหานี้ก็ตั้งปัญหาสิบห้าข้อแต่ไม่ได้บวชสิบห้าข้อดูดูว่าพภาวนาว่ามีจอมปวกแข่งหนึ่งเรีนกว่าอย่างนั้นกลางคืนเป็นไฟอาากก่างกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟแล้วก็มีสุเมทะ สั่งให้ขุดจำพวกนั้นขุดลงไปขุดลงไปอันดับแรกก็ได้อึงอางอย่างขึ้นมาตาางระดับขุดงลงไปลงไปยจนได้ศูนยผสุดท้ายผนสุดท้ายจนในถึงได้เห็นพญานาคก่อนแล้วก็สมเมธา่างบอกว่าเอาละพญานาคให้อ ย, อยู่ที่นั่นไม่ต้องอขึ้นมาแล้วนำพทัทยาวัยาการ อันหาว่าย้อมปวกก็หมายถึงรูปร่างกายรูปร่างกายของมนุษย์ว่ากลางคนืนเป็นเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นควันก็หมายถ้ ง, งว่าพอจบเจงานแล้ววันนั่งมามาทั้งนอนทั้งคิดไข้ควรพิจารณาความคิดความปรุงความแต่งนเป็นควัน พอคิดปรุงแล้วกลางวันก็ทํางานเป็นปืนเป็นไฟไปหน่อยบางทเนี่ยเป็นไฟแล้วก็ขุดให้ขุดลงไปไปเห็นอึงอ่างไปเห็นริมเป็นอะไงต่างๆนเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นตามลำดับอสูเมธานั่ใหม่ยหมายถึงปัญญาพอกุมาสะกว่าฟังปัญหาสิบห้าข้อนะก็จะบรรลุเป็นบาลานมาบรรลุบาลานแล้วกขอได้นําพริจากุลอนุญาตให้เป็น ภิกษุได้เหมือนกันแม้จะอายุน้อยก็ให้เป็นอายุเพงเจ็ดคงจะถึงสิบขวบแล้วเพราอาบวชอ่างแรกแล้วเจ็ดขวบที่อยู่บ้านอยู่กับบรราชาออก่าก็มาบวชก็ป่งจะมาประมา ณ, มาณสักสิบขวบได้มาบวชแล้วก็ไปวินตาบาทเองนะวินตาบาดแม่นางพิจุนีที่เป็นแม่เน<ม>ี่ยถึงลูกในวัด ท, ทั้งสิบสองถึงสิบสองปีเนี่ย พอลูกหนีไปใจพลังน้ำตาไหลคืนคืนนึกถึงลูกพอเห็นลูกมินาานะมมนาบัตแม่ก็บินทบัตขาเรียกลูกลูกลูกลูกลูกทีนี้ก็มากันสะบัดกับรพี่ไหนถ้าเราจะใช้วาทะคำพูดกับแม่ในดีแม่ก็จะโอ้เราก็จะทำลายมักคนก็เลยทำท่าพูด คำยาพูดไปแล้วบอกว่มแม่แม่ลูกๆอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านทําอะไรอยู่ยังมาตัดเพียงความรักความอาละไรลูกๆอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ทำไมจึงไม่ตัดลักตัดอะไรให้ตัดราคะอะไรต่างๆความรักความอะไรนี่ใหมันขาดสิ้นไปล่ะปวดมานานแล้วทันที่จะได้๋ยวมักได้ผลนี่มาห่วงอะไรรักลูกรักอะไรต่างงานพิเีนี้ได้ฟังคํานี้ก็เกิดเสียใจบอกว่าโอ้เรา นึกถึงลูกตั้งสิบสองปีเลยมาได้หลับได้นอนก็คืนคําพูดของลูกเราในใจของเธอเนะ่ะหยาบขายเหลือเกินะเลยตัดอะไรลูกได้วันนั้นเนี่ยกลับไปก็บําเพ็ญธรรมโดยมันราธรรมนรนในวันนั้นเลยตัวนี้อันนี้นาตัวอย่างผูทมม้ที่มีบารมีที่สร้างบรารมีแต่ชาติก่อนน่าอ้นมาท่านมีบรารมีได้บําเพา็ญบารมีคือบําเพ็ญ ภาวนามาแล้ววะั้นอะอันนี้เฉพาะภาวนานะไม่ชอได้ทานอ่ะเจดรูปหึือภาวนาจาเพนสมนธรรมเท่านัน้นเดียวอยงนั้นเมื่อใดเหตุได้ผลนั้นมันมันจึงบรรลุมรคผลเอางไงไงนนะก็จะหาหาว่าทํามันจึงง่ายนะะแต่ว่าต้องพี่นาตข้า ด, าด ก, ก่อนโน่นหกท่านไปนั่งภาวนาเนี่ยผาน่ะ น, นะอดเข้าจนตายกันหมดเลยนะ มันง่ายที่ไหนกันแต่ในพวกเรานะีมาพูดพูดพดธาศาสน า, าพับคสอนนะเรียลกระบาเพนไปตามหลักเลยนะก็ปฏิปทาที่พระเจ้าสอนไวนะ้เนี่ยปฏิปทาของผูงนนปญญ้ปฏิบัติเนีอยู่สี่อย่างอันหนึ่งล่ะสุขขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติอย่างสบายสบาย อัทนทาปัญญาคือแต่บันลุ้นได้ชา้าอยู่ในมักในผลชา้อาอันที่สองสุขาปฏิบัธาคีบป่าปัญญาบางท่านน่ะปฏิบัติสะดวกสบายไม่ได้เข่งตึงไม่ได้ทรมาร์อะไรตัวนี้นะแต่ว่าเพียงพยายามในการไหวพระสดมน์นั่งเพราะนั่งกรบจุกจิตใจทําตามว่าวาละอาตวัวอย่างที่ว่า ก่อนนอนไหวพระสดมุนหนึ่งพาวนาตื่ น, นอนไหวพระสดมุนภาวนาถึงวันพระวันจ่ามากรไหวพระสดมุนหนึ่งวันทํามากต่อยหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าทําอย่างสบายสบายบางท่านที่มีได้มีมูลมาบ้างแล้วก็บรรลุเอาไว้ไวอันนี้สองสามทุกข์ขาปฏิบทาิั า, านทาปิญญาปฏิบัติลบาก ทรมานทรกรรมอดเขาด่ากดปาอดรอดอ้นนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรก็ตารมานตัวเองอย่างใหญ่โตบางองค์นั่ง น, น, นอนธรมานตัวเองเรื่องหมอนจะเอาหมอนหมุนานะเล่นไม้ไผ่เป็นกบก็มีผาเป็นไม้โกบแล้วก็มาเราฆ้ารองแผนหมอนอหลวงปู่ตื้อท่านเล่นตีมบาทเป็นหมอนไ น, นอนก็นอนบนพื้นเอาผ้าปูพื้นกระดานษนอนหรือแต่เดี๋ยวผ้าปูเกล็ดสุกเสืออย่างนั้นก็เอาเสือปูถ้าว่าเป็นกุฏิที่ทิพฝากดีกว่าพื้นกระดานเพราะมันมีช่องแล้วก็มันย้อนได้พื้นฝากถ้าพื้นกระดานมันแข็งนอนมันเจ็บหลังจัง ปฏิบัติลำบากตันรู้นะรู้ได้ช้าด้วยนานด้วยอันนี้อันที่สามอันที่สี่ทุกขาปฏิบัติารขิดปลาปัญญาเอออันนี้ปฏิบัติลําบากทรมานทรกรรมด้วย เ, เหมือนกันแต่ว่าวันรู้ได้เร็วอยู่นี่ปฏิบัติาไปฉะนั้นพอปฏิบัติที่ที่เราปฏิพฤติปฏิบัติที่เราเนี่ยก็ต้องพิจารณาเราปฏิบัติกันอย่างสบายสบาย ไม่จะไปทรมานตรกรรมเลยแต่ว่าขอให้ปฏิบัติสม่ำเสมอกัแล้วก็ใช้ได้ไม้จะช้าบ้างก็ไม่แล้สุขาปฏิปทาธรรมภาปัญญาช้าบ้างก็ไม่เลยแต่ขอให้ทําได้สม่ำเสมอกันแล้วก็จะเป็นทางให้เราได้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นตอนน่อไปขอใสงบจิตใจเหลือเวลาประมาณห้านาที